ที่กรุงนิวยอร์กนะประเทศอเมริกาคนขับรถแท็กซี่เนี่ยระยะหลังเนี่ยจะมีชาวต่างชาติเยอะจํานวนมากนีนก็มาจากบังคลาเทศปากีสถานนะถ้าใครไปกรุงนิวยอร์กนี่ถ้าเรียกแท็กซี่นี่ก็จะเจอแขกนะมีโอกาสเจอมากเลยคนขับแท็กซี่คนหนึ่งชื่ออุสมานหรืออุสมานเนี่ย มาจากบังคลาเทศพวกนี้เนี่ยยากจนนะก็ต้องอพยพมาหางานทำนะที่ประเทศที่ร่ำรวยเช่นอเมริกาสมาร่นี้ก็ขับแท็กซี่มาหลายปีมีเงินก็ส่งไปให้ที่บ้านนะพ่อที่บ้านยากจนคล้ายๆกับคนไทยที่ไป หางานทาที่ซาอุหรือตะวันออกกลางนะหรือเกาหลีเนี่ยแต่ว่าไอการขับแท็กซี่เนี่ยรายได้จริงๆเนี่ยมันไม่ได้มาจากค่าแท็กซี่นะแต่มันมาจากค่าทิพนะทิพก็คื อ, อเงินที่ผู้โดยสารใหนะ้เป็นพิเศษได้ค่าทิ่เป็นกอบเป็นกำรรก็สามารถจะส่งไปเลี้ยงครอบครัวได้ วันหนึ่งเนี่ยเขาก็ได้ผู้ตดยสารคนหนึ่งนะเป็นฝรั่งหน้าทางท่าทางภูมิฐานใส่เสื้อ น, นอกคงจะเป็นนักธุรกิจรหรือผู้บริหารกิจการระดับสูงมีกระเป๋าเอกสารเนเขาก็คิดว่านเนี่ยวันนี้คงจะได้ทิปอ่าอ่าเป็นเรื่องเป็นลาวหน่อยแต่พอไปถึงที่หมายเนี่ย ผู้โดยสารคนนั้นก็ให้ค่าทิปเขาเพียงแค่สามสิเซนนะสาสิบเซนถือว่าน้อยนะมันก็เรียกว่าสลึงหนึ่งก็นะหรือว่าบาท น, นึงนั่นแหละนะเทียกับเมืองไทยเขาก็ผิดหวังนะว่าอุตสาห์บริการอย่างดีผู้โดยสารก็รวยนะมีฐานนะทําไมให้แค่ทิปให้ค่าทิปเพียงแค่นี้ก็ไม่เป็นไรนะในจจก็นึกว่าวันนี้นึกว่าจะเป็นวันดีนะกับเป็นวันเคราะห์นะ เขาขับรถไปได้สักพักก็สังเกตว่าหลังรถเนี่ยมันมีกระเป๋าแล้วก็ไม่ได้ล็อกด้วยนะเปิดดูบรกว่ามีเพชรนะมีเพชรอยู่สามสิบกมม์นะมีเพชรอยู่สากสิบกมตรโอ้แต่แล้วแม่นี่มันเป็นแสนหรือเป็นล้านนะมันก็มีความคิดแบบหนึ่งว่าจะเอาเพชรนี้นะ กลับไปคือผู้อาคือจะจะมุบมิบดีไหมแต่สุดท้ายเขาก็ตัดสินใจว่าอยากกันนั้นเลยนะเราเอาเพชรเนี่ยไปให้กับตำรวจดีกว่าเพื่อให้ตำรวจนี่ยเขาไปหาเจ้าของพอเขาเอาเพชรเนี่ยไปมอบให้กับตำรวจเนี่ยก็ กลายเป็นข่าวเลยนะเป็นข่าวใหญ่นะในกรุงนิวยอร์กว่าเนี่ยแท็กซี่พลเมืองดีคืนเพชรจำนวน30เม็ดเนี่ยให้กับเจ้าของหลายคนก็แปลกใจนะว่าโอ้ทำไมนี่ถึงมีความซื่อสัตย์ขนาดนั้นไม่มีความคิดที่จะเก็บไว้เองเลยหรือมีนักข่าวสัมภาษณ์เขานะว่าทำไมนะถึงเอาไปคืน ก็บอกสั้นๆนะไม่ได้พูดยาวเขาบอกว่าตลอดชีวิตของผมเนี่ยนะผมก็พยายามซื่อสัตย์สุจริตนะและวันนี้ก็ไม่ต่างจากวันอื่ น, นก็คือว่ายังคงซื่อสัตย์อยู่ต่อไปอันนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดนะโดยเพราะกรณีที่ว่าเนี่ยเขาคืนเพชรให้กับคนที่ไม่ได้มีน้ำใจกับเขาอเออถ้าเกิดว่า ผู้โดยสารคนนั้นเนี่ยให้ทิพย์เขาสักสิบดอล น, นะหรือว่าร้อยดอนเนี่ยนะมันก็ดูมีเหตุผลนะหรือว่าดูหน้าคืนนะเพราะว่าเขามีเมตตกับเราเราก็ต้องมีความมีน้ําใจกับเขามีความซื่อสัตย์นะเขาทิ้งเพชรลืมเพชรเอาไว้เราก็ต้องคืนเขานะเพราะเขาอุตส่าห์ดีกับเราขนาดนั้นแต่กระนิษสมานเนี่ยมันมันไม่ได้อย่างนั้นนะผู้โดยสารก็ไม่มีน้ําใจนะ ให้เงินแบบขอไปทีให้ทิปแบบขอไปทีแต่เขาก็ยังนะทำดีนะกับคนคนนั้นอันนี้เนี่ยนะมันนะเป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะว่าคนเราเนี่ยมักจะคิดว่าจะทำดีก็ต่อเมื่อใครก็ทำดีกับเราแล้วก็ทำดีกับเราลุงจทดีกับเขาแล้วก็พูดดีกับเราลึงจะพูดดีกับเขาถ้าเขามีน้ำใจกับเราเราก็จะมีน้าใจกับเขา แต่ถ้าเขาไม่ดีกับเรานะี่ยเขาเอาเปรียบเรานะเขาว่าเราเนี่ยเราก็ต้องตอบโต้เขานะแบบเดียวกันผู้อหญ่เนี่ยคือว่าคนเราเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้คิดว่าเราจะทําดีกับใครหรือไม่เนี่ยก็คืออย่าว่าเขาเป็นใครเขาทําดีกับเราหรือเปล่าแต่อุตมานี่แกคิดอีกแบบหนึ่งนะแกคิดว่าจะทําดีกับใครเนี่ย ไม่ใช่เพราะว่าเขาเป็นใครแต่เพราะว่าเราอยากจะเป็นใครมากกว่านะผู้โดยสารคนนั้นใจไม่มีน้ําใจงไงก็เป็นเรื่องของเขานะแต่ว่าเราเนี่ยนะคือตสมายนีนย้แกบอกว่าแกอยากจะเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตนะแล้วแกก็เชื่อตัวเองเป็นคนซื่อสัตย์มาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยก็ต้องซื่อสัตย์ต่อไปนะก็คือคืน คืนทรัพย์สินที่หาเจอหรือว่าที่ตกหล่นนี่น่าคิดนะเราจะทำดีกับใครเนี่ยมันไม่ได้เป็นเพราะว่าเขาเป็นใครเขาเป็นคนใกล้คนไกลเป็นเพื่อหรือเป็นคนแปลกหน้ามีน้ำใจหรือไม่นะแต่เป็นเพราะเราเป็นใครต่างหากหรือเราอยากจะเป็นใครเราอยากจะเป็นคนดีอยากจะเป็นชาวพุทธอยากจะเป็นนักปฏิบัติธรรมเราก็ต้อง ทำสิ่งที่ควรทำเช่น ท, ทําดีกับทุกคนนะไม่ใช่ว่าใครเขาไม่มีน้าใจกับเราเราก็เอาเปรียบเขาแปลว่าการกระทำของเราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคนอื่นนะท่านสาวชาวพุทธแล้วเนี่ยนะอันนี้เป็นสิ่งสาคัญนะคือว่าเมื่อเราอยากจะเป็นชาวพุทธนะเราอยากจะเป็นคนดีมีศีลธรรมนะใครก็จะทำอะไรกับเราก็เป็นเรื่องของเขานะ เขาก็ต้องรับกรรมเองแล้วเราก็ยังคงทํำดีกับ เ, เขาต่อไปเขาด่าเราเราก็ไม่ด่าเขาตอบนะเขาเอาเปรียบเราเราก็ไม่ได้เอาเปรียบเขานะเขาโกงเงินเราก็ไม่แปลว่าเราต้องโกงเขานะเขาทําของตกหล่นก็ไม่ได้แปลว่าเราต้องเก็บนะเอาไว้เพื่อพราะเป็นการแก้แค้นนะกต็ต้องคืนนะเพราะว่านั่นแหละคือสิ่งที่จะบ่งบอกความเป็นตัวเราหรือว่าเป็นการพัฒนาตัวเรา พูเรื่องไอ้ของที่เก็บได้นี่อันนี้ก็เมื่อวานนี้ก็ได้พูดไปแล้วนะว่าบางทีของที่เก็บได้เนี่ยมันมันไม่ได้แปลว่าเราเจอแล้วมันจะเป็นของเราดนั้นถ้าเราเก็บมาเป็นของเราเมื่อไหร่เนี่ยมันก็แสดงว่าเรากําลังขโมยแล้วนะเมื่อเมื่อปีเมื่อปีสี่ศูนย์นะ ตมาไปเป็นลามให้กับหลวงพ่อคำเขียนท่านได้รับนิมนต์ให้ไปแสดงธรรมที่ประเทศอเมริกาลัดนิวโยกนะเมืองคาร์เมลระหว่างที่กำลังปฏิบัติธรรมพานักพาคนอเมริกันปฏิบัติธรรมก็มีฝรั่งคนหนึ่งเนี่ยไม่เห็นหน้าหน้าตาดูแปลกๆเขาก็มาหาที่โบสถนะ์ที่วิหาร พอเข้ามาใกล้ก็ได้กลินเหล้านะก็สักเอกใจก็เลยคุยกับเขาว่าเกิดอะไรขึ้นนะคือฝรั่งปกติก็รู้สึกว่าพุทธศาสนาเป็นเรื่องแปลกนะถ้าท้ามาวัดแสดงว่าคงต้องมีเหตุผลเขาก็เลยเล่าว่าเนี่ยเขาตกงานเขาไม่มีงานทำลูกก็กาลังเรียนหนังสือนะหางานทำไม่ได้เงินก็ไม่ค่อยมี แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรานะเราก็นึกในใจเขาบอกต่อไปว่าเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเขาเจอเงินสองพดอลลาร์ใกล้ๆ ก, กับธนาคารเขาก็เลยเก็บมาสองพันดอลลาร์นี่มันเป็นเงินที่จะช่วยเขาได้เยอะนะเพราะว่าตกงานอยู่ลูกก็ยังต้องการเงินใจนึงก็อยากจะเก็บเอาไว้แตอีกใจนึงมโนธรรมก็บอกว่าไม่ถูกต้องคืนมันก็เลยมีการสู้กันนะ มีการสู้กันระหว่างความอยากจะเก็บเงินนี้ไว้มันไม่ใช่ขโมยเนี่ยไม่มีใครเห็นใจใจนึงเนี่ยมันก็รู้ว่ามันไม่ถูกตัดสินใจไม่ได้เลยเครียดก็เลยกินเหล้ากินเหล้าก็สบายใจชัว่วคราวพอสั่งมันก็มีปัญหาเกิดความขัดแย้งขึ้นมาในใจมีความทุกข์มากเลยนะเจอทุกขลาบอ่ะก็เพลินขับรถมาเห็นวัดนะ เห็นวัดเป็นวัดพุทเห็นพระก็เลยคิดว่าท่านคงจะช่วยให้คําตอบได้ว่าเขาควรจะเก็บเงินนั้นหรือทําอย่างไรอันเดียดนี้ฝรั่งนี่พอเห็นพระนี่เขาก็รู้สึกดีนะอาจจะเป็นเพราะว่าอิทธิพลไทยลามากก็ได้นะไทยรามากนี่ก็เป็นตัวแทนพระในพุทธศาสนาถึงแม้จะไม่นับถือพุทธศาสนาแต่เห็นพระแล้วรู้สึกดีเพราะพร ะ, ะส่วนใหญ่โดยเพราะทีเบตเนี่ยก็ เรียบร้อยเมื่อมาปรึกษานี่ก็เลยบอกเข้าไปนะว่าเขาเนี่ยนะในเมื่อมันไม่ใช่เงินของเขาเนี่ยก็ควรหาทางคืนเขาก็แย้งว่าไม่รู้จะคืนยังไงก็บอกเขาไปลองไปติดต่อธนาคารดูนัดติดประกาศใจหนึ่งเขาคงอยากจะให้เราพูดสนับสนุนเขาว่าเก็บเงินนี่ไปเถอะนะเพราะในส่วนลึกในลึกกิเลสในในใจเขามันคงอยากจะได้ แต่ว่ามนโนธรรมของเขาเนี่ยมันบอกเอาไม่ได้นะเงินก้อนนี้เขาคงอยากจะหาคนมาสนับสนุนว่าเอาไปเถอะเก็บไปเถอะแต่บังเอิญเราไม่ได้พูดตรงตามกิเลสเขามันก็ทาให้เขาได้คิดนะแล้วเขาก็จากไปแล้วก็ไม่ได้มาหาอีกเลยก็คิดว่าเขาคงจะตัดสินใจถูกนะก็คือว่าคืนเงินถึงแม้จะยากจนยังไงนะแต่ว่า ถ้าเอาเงินไปแล้วเนี่ยผงไม่มีความสุขหรอกเพราะว่ามโนธรรมนะจิตใจในส่วนลึกมันประท้วงว่ามันไม่ไมถูกนี่น่าคิดนะเป็นฝรั่งนะซึ่งไม่ได้ไม่ได้ถือศีลห้าไม่รู้จักศีลห้านะแต่เก็บเงินได้เนี่ยเขาก็ยังรู้สึกว่ามันไม่ถูกถ้าจะเก็บเอาไว้ใส่กระเป๋าตัวเองแล้วคนไทยหรือเปล่านะคนไทยต่างหากนะที่เจอแบบนี้แล้วเนี่ยมักจะเก็บนะ มีมีตัวอย่างมากมายแม้กระทั่งมีการทดลองลองนิตยสารลีเดอร์ไรตเจสต์เนี่ยเคยเอาเคยแกล้งเอากระเป๋าเงินเนี่ยไปวางไว้ตามตู้โทรศัพท์หรือว่าไปทิ้งไว้ตามสถานที่ราชการเช่นกทมโรงพยาบาลเพื่อดูอว่าคนไทยนิส่อสัตว์หรือเปล่าทิ้งไปห้าใบบอกว่าหายไปไม่มีการคืนเจ้าของเนี่ยสามใบก็คือ60ซนขโมยไปเลยนะ อันนี้ก็เป็นข่าวเมื่อสิบปีก่อนนะแล้วที่หายไปเนี่ยไม่ได้หายที่ไหนนะหายในหมหาเทเลลยแล้วเขาก็เฝ้าดูว่าใครเอาไปนะเพราะว่าเป็นนักศึกษาไอ้ที่ไม่หายเนี่ยนะคนที่เก็บได้เรามันคืนเนี่ยกลับเป็นพวกพาลงนะพาลงโรงพยาบาลหรือก็ทำหมอมาคืนไอ้คนจนนี่คืนเงินนะแต่คนมีเงินเนี่ยไม่คืนนะแล้วคนนี้ก็ก็รู้จักนะ สีห้าคงถือว่าตัวเป็นชอพุดด้วยแต่ว่าพอพอสบอบประกาศเมื่อไหร่ก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของฉันละฉันเจอได้ก็เป็นของฉันบางทีไม่ได้เจอนะเห็นว่ามันเป็นของดีก็เอาไปละแม้แต่ในวัดเนี่ยเดี๋ยวนี้ในวัดหลายวัดนี่รองเท้าหายนี่เกิดขึ้นเป็นประจำนะมีการถ่ายรูปไว้รองเท้าเนี่ยมีการล็อกกุญแจด้วยนะล็อกกุญแจในวัด รองเท้าในวันนะมีการลอ็อกกุญแจทำให้แขวไปคือเท่าไปก็ไปทั้งคู่เลยแต่เอาไปไม่ได้บางทีก็มีการเจาะเจาะรูไว้เพื่อเพื่อไม่ให้หน้าเอกไปรองเท้าในห้องน้ําของวัดก็มีการทําให้มันเสียโฉมคนจะได้ไม่เอาไปหรือว่าเอาไปแล้วมันก็เป็นการประจานว่าเป็นการขโมยของวัดนี่นะขนาดคนในวัดนะหรือคนมาวัดนะียยังขโมยเลย แต่ฝรั่งเนี่ยเขาไม่ได้นับถือพุทธนะแต่ว่าเก็บเงินได้มหาศาลเลยนะสำหรับเขาน่ะพันดอลลาร์มก็หกหมื่นบาทก็ยังรู้สึกว่าเอาไปนี่มันผิดแต่ว่ากิเลสมันก็ยังบอกว่าอยากจะได้ก็เลยเครียดจนต้องกินเหล้านะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจ ะ, ะฝากเอาไว้เตรียมรับพร